u d d h a m s a r a n a m gacchā. u d d h a m m s a r a n a m g a c c h a m m s a r a n a m g a c c h a m saranam g a c c h a m ว่าภสษากับภสษาที่ไปอยู่ในจักรคูวิญญาณเนี่ยใช่ไ ถ้าภาษามาเรียกต่างๆเห็นไหมที่ไม่ได้ไปสัมผัสหรือไม่ได้ไปผสมกับใครเงี้ยมันก็จะมีจุดต่างอยู่แหละภาษาเจตสิกถ้าสัมผัสสนี่แปลว่าเขาไปสัมปยุติกับกลุ่มของจักขุวิญ ญ, ญาณโสตวิญญาณคาระว่าเขาเป็นสัมผัสสะประเภทไหนประเภทจักขุสัมพัสสะว่าเป็นการเขาประชุมกันระหว่างอะไรระหว่างวัตถุ ทวารอารมณ์ไหนเนี่ย ก, ก็เน้นตรงนั้นเน้นให้ถูกทวารก็จนถึงมโนโทวารก็ในยะเดียวกันจนถึงมโนสัมผัสัปสัมโนวิญญาเนรนะสัมปยุโตเห็นไหมสัมปโสติมโนสัมปโสเนี่ยไหมก็มาจากปัสสานี่แหละปัสสาคือการกระทบที่ประกอบเห็นไหมเขาแปลไว้เลยเห็นไหมคือการกระทบที่ประกอบกับมโนญาณชื่อว่ามโนสัมัสสะได้แก่ปัสสัสแจกิที่ประกอบในโลกเยวิบาก ยี่เว้นทวิปัญ j จิตสเอ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็ก็เริ่มเห็นจุดต่างทีนี้ถ้าดูตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าจุดในการอธิบายนะหมายถึงบอกว่าคนที่ตายบุคคลที่ตายไปแล้วมีจักขคู่สมัมผัสตะเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะขาดภาษาทรูปะวังที่เรียกว่าสรายตนะสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่าตาบอด จกักระสัมผัสะเกิดไม่ได้และหูหนวกโสตสัมัสะเกิดไม่ได้เพราะภาษาเป็นผลของสลายยตนาะทีนี้ภาษาที่เป็นผลของสรายยตนาะนี้ได้แก่การประชุมพร้อมกันระหว่างวัตถุอารมณ์แล้วก็วิญญาณใช่ไหมจึงชื่อว่าถ้าประชุมพร้อมกันของจกักขะดังที่ได้กล่าวแลยตรงนี้ถ้าตัวจกักขประศาทตัววัจจกระถุตัวรูปารมณ์ตัวจกักรุวิญญาณนี้เรียกจกักระสัมผัส ถ้าประชุมกันของไล่ไปตามดับสิถ้าเป็นการประชุมวามของจักโสตะวะัตถุหรือเสียงสัทธารมเนี่ยแล้วก็โสตะวิญญาณก็เป็นโสตะสัมพัสสะเดี๋ยวหมูถ้ า, ถ, าถ้าการประชุมกันทางคานาเรียกว่าไงอะไรประชุมทางค า, า, า, านาทวาลเนี่ยอะไรประชุมฮะเออตัวคานาวัตถุแล้วก็ตัวคันแล้วก็ตัว การวิญญาประชุมกันเรียกว่าไลาา่แผชิวหาวชิวหาสัมผัสสะจนถึงกายะสัมผัสสะไล่ให้ถูกคําว่าไลา่เนอไม่ใช่นั่งเยอะๆต้องไล่ตรึกไล่ให้บรรลุ น, นั่นบอ ก, บ อ, กอุ๊ยได้ข้อเดียวก็เหนื่อยแรงแล้วของของการถ้ากายะวัตถุนี่หนไหมกายะวัตถุนี่การประชุมของของกายะวัตถุของ กายยปัสสาวะแล้วก็ของกายยวิญญาณเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกกายยสัมผัสสจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าผวังละ่ะภาษาที่ประกอบในผวังกจิตและรวมถึงภาษาที่ประกอบกับวิบากมนโนวิญญาณมีสัมปติชนะสองสันติอนะตาตถาธรมนาเป็นต้นแหละอย่างนั้นชื่อว่ามโนสัมพัสานี่เป็นผลของสรายตนาด้วยนี่มาจากคําว่าอะไรอ่ายกบาลีดยดิจากขุนจะ ป, ปติจะรูเปจะอุปัชติจักขูวิญญาณังติณังสังคติผสโสเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะก็แปลไปตามลำดับที่จักขูวิญญาณย่อมปรากฏพ่อสายจากักขู菩萨กับรูปอารมณ์การประชุมกันจกักขู菩萨รูปอารมณ์จักวุญญาณทั้งสามนี้ชื่อว่าผัสสะก็คือจกักขูสัมผัสสะถ้าโสตวิญญาณแหละอะไรปรากฏจริงๆตรงนี้เวลาไปพูดเนี่ยพูดตรงนี้ก็ได้ อาศัยตาอาศัยหูอยู่ไหมอาศัยโสตวิญญาณการปรากฏเกิดขึนะ้นนอะอาศัยตากับสัตอาศัยหูกับสัตธารมใช่ไหมแล้วก็อะไรโสตวิญญาณ3มอย่างนี้ประชุมกันเนี่ยจึงเรียกว่าโสตสัมผัสะก็ไล่ไปตามลําดับมันนะบอกว่า คานาวิญญาณปรากฏเกิดขึ้นเพราะสายคานประสาทกับคันธาลมการประชุมกันระหว่างคานาประสาทคันตารมคานวิญญาณทั้งสมอย่างนี้ชื่อว่าคานสัมปัสสะหรือเชื่อพัสสะนั่นเองชิวหาวิญญาณย่อมปรากฏขึ้นขึ้นเพราะสายชิวหาประสาทกับประสารมการประชุมกันระหว่างชิวหาประสาทประสารมชิวหาวิญญาณทั้งสามนี้ชื่อว่าพัสสะ กายวิญญาณปรากฏเกิดขึ้นเพราะสายกายพัสสัดโผล่ารมณ์และกายวิญญาณทั้งสานี้ชื่อว่าผัสสะมโนวิญญาณย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะสายผวังขจิตกับอารมณ์ทั้ง6ทั้งปรมัดและบัญญัติการประชุมกันระหว่างผวังอารมณ์และมโนวิญญาณทั้งสานี้ชื่อผัสสะลักษณะอย่างนี้เรียกผัสสะเพราะสรายาตนะเป็นปัจจัยว่าโดยย่อผัสสะมี6ใช่ไหม จ sound, anza, so ane, <itals> ักข <Exodus> <SUBSCRI> ู่สัมผัสสะโสตสัมปัสสะคานาสัมปัสสะชิวหาสัมปัสสะกายสัมปัสสะมโนสัมปัสสะจักขู่สัมปัสสะได้แก่ภาษาเจสิกที่ในจักขูวิญญาณจิตสองโสตสัมปัสสะก็คือโสตภาษาเจสิกนี่ในโสตวิญญาณจิตสองคานาสัมปัสสะก็คือภาษาเจสิกที่ในคานาวิญญาณจิตสองชิวหาสัมปัสสะ ภาษาเจาสิกที่ในชิวหายวญาณจิตสองกายะสัมปัสสะภาษาเจาสิกที่ในกายะวิญญาณจิตสองมโนสัมปัสสะคือภาษาเจาสิกที่ในโลกยิปปากจิต22รวมภัษาหกนี้เป็นผลของสตรายตนะได้แก่ภาษาเจาสิกที่ประกอบกับโลกยิยปากจิต32ดวงอันนี้เป็นปัจจุบันผลนั่นเองใช่ไหม ถ้ามองในลักษณะยนี้ก็จะเห็นทีนี้ถ้าจําแนก ล, ะนก ล, ะล่กะจ ำ, งงจำแนกลักษณะผัสสะไอ้จาแนกยังไงจําแนกลักษณะผัสสะไปตามภูมิล่ะไปตามภูมิกามาภูมิ11ได้ผัสสะเท่าไหร่จากขูสัมผัสสะคานาสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะและมโนสัมผัสสะครบทั้ง6กไหมในกามาภูมิครบหมดเลยนะเว้นแต่คนพิการหูพิการตาก็ว่าไป คนพิการายตายนคนเน taught, ี่ยถ้าพ well? ิการกายเนี่ยตายไหมกายยบศาสาทตายหมดเนี่ยอยู่ได้ไหมโอ้โหถ้ากินไม่ได้อะไรไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วเนาะก็กายยบศาสตรไม่ใช่พิการตาพิการกายเนี่ยตายจริงๆนะในไหนเอาแล้วหัวใจเต้นได้ไหมถ้ากายยระาสารตายแล้วคือจริงๆถ้าพิการกายนี่ไม่น่ารอดนะ ลองดูสิเอาหัวใจจะอยู่ได้ไงถ้ากายยระสาตว์ไม่มีแล้วเอากายยระสาตว์ไปหมดเลยนะในในในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือเ่อในกระดูกมันเมื่อเมื่อมันไม่มีตรงนี้รับรู้อะไรหมดแล้วแปลว่าอะไรมันจะมาดิ้นนะ่ะนั่นพยายามจะออกกันได้เลยแต่ที่แน่ๆ น, นะถ้าถ้าเราถ้าเรามาพิจารณาดูจริงๆ เอาแค่กายยปัสสัตถกับชิวหาประสาตถ์นะพิการกายกับพิการลิ้นนี่โอ้เสร็จเลยเนาะสัตว์เหรือว่าหรือเอาพิการลิ้นเนี่ยแล้วพิการ ย, ยังอยู่แต่ลิ้นเนี่ยพิการไปแล้วเนี่ยโอ้อยู่ลําบากมากอยู่ไม่กี่วันก็ตายเนี่ยในพระพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าสังสารวัตรนี่อายตนะนี่มันเป็นทุกข์มองย่อมูเห็นอย่างเนี่ยตัวจักขลายตนะเป็นต้นเนี่ยโอ้โหเป็นทุกข์จริง อายัดนาต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีมันจะสุขขนาดไหนใช่ไหมถ้าอายัดนะไม่มีถ้ามันขาดไปอายันาดนะใดอายัดนะหนึ่งมันก็เป็นทุกข์ยกเว้นแต่ในรู ป, ปรภูมิมันขาดโดยความตั้งใจให้ขาดแต่ถ้ามาอยู่ในมนุษย์ภูมิแล้วเราเดินไปเหลือแค่สี่อายัดนา ได้แค่จักขายตนกะกโสตายตนะเนียคานายตนะชิวหากายายตนะไม่มีเหมือนพวกพรหมซวนี้เสร็จเลยถ้าเกิดผิดภูมิด้วยแล้วเกิดผิดภูมิด้วยแล้วใช่ไหมแล้วจะอยู่ยังไงลำบากมากใช่ไหมเขาถามว่าร้อนไหมโอ้ไม่ร้อนไม่ร้อนกินไหมโอ้ไม่รู้จะไม่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้แต่เห็นได้เอาไหมถึงบอกว่า เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขยับขยื่นได้เพราะกายยวิญยัตวจีวิญญตัตเพราะจิตี่ตมไม่มีความรู้สึกนีนมีกายแต่ไม่มีกายยะประสาทเนี่ยลักษณะของว่าถ้ามองถ้ามองในหลักการอย่างนี้ถามว่าพวกเรามันคิดที่จะมีมันเป็นยางเงนะ <c oughs> คิดที่จะมีอายัตนาถูก <c oughs> ไหมการคิด <c oughs> ที่จะมีอายตนะนี่ก็คือการคิดที่จะมีทุกการคิดที่จะมีทุกฉะนั้นในการภูะพมสิบเอนั้นนะบางพบบางชาติเราก็อายตนะบกพ้่องแต่โดยแน่แนมันได้หแต่ว่าบางาบางพบบางชาติบกพ้องส่วนรูปประพรมเวนัสัญญาสัตพินมันได้ผัสษาสามนะได้ผัสษาสามถ้าในการภูมได้ผัสษาห ได้จากขู่สัมผสัสสะโสตสัมภัสสะและมโ น, มโนสัมภัสานะในรูปภูมิสิบห้าเวนสัญญาในรูปภูมิก็ได้ภัษาเดียวคือมโนสัมผสัสสะส่วนอสัญญาัตตภูมินั้นแม้ภาษาทั้งหมดย่อมไม่ได้เพราะไม่มีอัจฉติกายตนะเลยไม่มีจักขายตนะโสตค า, านาชิวหากายามมานายตนะไม่มีเลย สัตว์เหล่านี้ไม่มีอายตนะปลอดจากอายทะนะแล้วท่านเหล่านั้นเบื่ออายทะนะพ้นจากอายทะนะเหลืออะไรเหลือรูปชีวิตตะนวะกกาลับเหลือธรรมารมณ์อย่างเดียวใช่ไหมกลุ่มรูปเนะียชีวิตต ร, รูปเป็นธรรมารมแล้วมีมหาภู ร, รูปด้วยเนะมีนะมีอวิโมกข์รูปอยู่ไหมแปดชีวิตต ร, รูปหนึ่งแล้วในประวัติการก็กไปมีเพิ่มเป็นสิบเจ็ดรูปนะมั้งมี มีมีกามีอุปัจจญาสันตติชราตานิจจตาแล้วก็ความเบาวความอ่อนความคลวนของรูปเป็นสิบเจ็ดพอดีนะในปติการได้สิบเจ็ดในปฏิสนธิการได้เก้าครับอืมดีเหมือนกันคมได้อยู่ทีนี้ถ้าถ้ามองในลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นคำว่าไอ้คำว่าอายตนะเนี่ยนย พอเราเชื่อมเชื่อมโยงลักษณะเรียกว่าตัวอายตนะนี่นะสรายตนะเป็นปัจจัยกับผัสสะเนี่ยเพราะมีผัสสะอ่าเพราะมีอายตนะนี่เองการประชุมกันของผัสสะน่ะจึงมีการประสานจึงมีอย่างงี้ยเออถ้ามองมองในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่าอายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะเนี่ยว่าอายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะนั้นน่ะ ภาษาเนี่ยเกิดในจิตทุกดวงไหมใช่เกิดขึ้นในจิตพร้อมด้วยอำนาจของปัจจัยหลายอย่างใช่หมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการเห็นรูปารมณ์เนี่ยก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่ยังมาจากคำว่าจักขุนจะรูเปจะปฏิจะจักขุญญาณังอุปัชติตินังสังขติผัสโซเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอาศัยตาซึ่งเป็นจักขวาญตนะและอาศัยรูป ซึ่งเป็นรูปรายตนะจึงเกิดจากขูวิญญาณซึ่งเป็นมะนายตนะเห็นเพราะอายตนะสามอย่างนั้นเองประชุมกันจึงเกิดผัสสะแม้ในประตูต่างๆก็เป็นไปในลักษณะเช่นนี้ถ้าเรามองอย่างนี้บอกว่าไอการเชื่อมการประชุมกันของผัสสะเนี่ยนะถ้าถามบอกว่าอาศัยตาเนี่ย ตาเป็นจักรขวายะตนะใช่ไหมเป็นตัวอายะตนะเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวต่อพอพูดถึงในเรื่องของคําว่าอายะตนะอายะตนะเนี่ยถ้าแปลจริงๆก็แปลว่าอะไรเนะี่ยอายะตนะเนี่ยคําว่าอายะตนะเนี่ยก็แปลว่าอะไรฮะคาว่าอายะตนะที่เคยเคยพูดไปแล้วนั้นหมายถึงอะไรคําว่าอายะตนะอายะตนะในที่นั้นเนะ่ยธรรมชาติใดทรงไว้ซึ่งสังสารวัฏอันยืดยาวก็ได้ ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอายตนะใช่ไหมไอตัววัตทุกมันเดินเนี่ยเธาจะพูดไปไตัวทําให้สังสารวัตรมันยืนยาวเลยว่าจากขวายาตนะเนี่ยปารบรูปายตนะไอตัวรูปายตนะกักับจากขวายาตนะใช่ไหมเป็นอายตนะมันเหมือนกับการเป็นบ่อเกิดที่ประชุมวางแผนบาปกรรมชั่วเลยก็ว่าแต่ถ้าให้เกิดมน า, นายาตนะไหม เห็นไหมอายตนะตัวอายตนะมาเชื่อมมาประชุมกันนจากข้ า, ายตนะมารูป า, ายตนะมามัน า, ายตนะมาสามอายตนะมาประชุมร่วมกันเขาก็เลยเป็นปัจจัยเกิดผัสสะเห็นไหมเป็นปัจจัยเกิดจากขุศลผัสถ้าคาไอสามอายตนะทางทวารหูเข้ามาโสต า, ายตนะมา สัทธายาตนะมาก็ทำมนายาตนะคือโสตวิญญาณทางตวันหูมาประชุมร่วมกันก็ทําให้เกิดผัสสะการกระทบทางตวันหูถามว่าเวลากระทบเนี่ยการกระทบแต่ละครั้งการเกี่ยวที่บอกว่าการกระทบการกระทบนะถูกต้องคือถูกต้องโดยถูกต้องอารมณนะ์ถามว่าอะไรถูกต้องอารมณ์ตัวมันายาตนะถูกต้องรู้ไหม ไอ้ตัวมนณหาญาณะถูกต้องรูปารม์มนณหาญาณะถูกต้องศัทธารมณันธารมล่สารมโผฏฐาพารมและธรรมารมณ์ไอ้การถูกต้องอย่างนั้นเขาเรียกว่าลักษณะาการถูกต้องเป็นลักษณะถูกต้องโดยอาการโดยอาการใช่ไหมมันไม่ใช่ถูกต้องเหมือนอะไรวิ่งชนกั น, นมองเห็นยั ง, ยงถูกต้องโดยอาการเพราะถูกต้องปุ๊บประสานไหม ประสานดันดีประสานวัตถุอารมณ์กระทบกันทีนี้ถ้าทางทวารตาประสานเลยประสานตาประสานรูประสา น, าสา น, สานจากักุวิญญาณเห็ไหมมันถูกต้องกับกระทบและประสานผัสสะเป็นปัจจัยเกิดทุกข์ไหมเวทนานะ่ะเป็นวิบากไหมลูกวิบากใช่ไหมที่จะตามมาจากผลการกระทบนี่ทุกทั้งนั้นใช่ไหม ยิงอยู่ให้สุขเวทนาตัณหาให้ทุกขเวทนาโทสะให้อุเบกขาเวทนาโมหะไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่เลยชอบใช่ไหมภาษาเนี่ยจะเกิดสัมพัสายอมจะชอบอยู่นะเพื่อจะให้ได้เวทนาไหนละสุขแท้อยู่นะให้สุขเวทนาทุกขเวทนาและ อุเบกขาเวทนาถ้าเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายจริงนะบอกไม่เอาแล้วเวทนาเนี่ยไม่ว่าเวทนาไหนไหน่าเงี้ยไอเสียงเพระพาะเพะเมื่อวันนั้นไม่เอาอีกแล้วเจ็บปวดมานานหนูกนแล้วทํากรรมไปเท่าไหร่นะไอเสียงเสียงนั้นเนี่ยเสียงสมัยก่อนเคยจ้าจ๋าแม่จ้าแม่จ๋ า, จาเนี่ยโอ้ยมันชื่นใจจริงๆว่าบางทีอย่างนั้นมันอย่างนั้นมันทกแค่ปัจจุบันใช่ไหมลองคิดดูทีออก ถ้าบอกตันหาเหมือนอะไรเหมือนแม่ตันหาวิชาเหมือนแม่กรรมเหมือนพ่อไอ้พวกเวทนาทั้งหลายมันก็เหมือนลูกสิท่านแม่ตายแล้วแม่เกิดบ่อยๆพ่อเกิดบ่อยๆให้ทาไงเนี่ยก็ทําทกรรมกันอีกแล้วเจาะตาสิเจาะตาที่เวทนาทางตาก็ไม่เกิดเจาะหูเวทนาทางหูก็ไม่เกิด จะลิ้นเวทนาทางลิ้นก็ไปเกิดทําทำนี้ก็มีในกลุ่มนี้ก็ทรมานเนี่ยเกี่ยวในเรื่องของอายตนะเป็นปัจจัยกับผัสสะในความหมายอายตนะสภาพที่ขวนขวายยิ่งหรือสภาพที่เหมือนกับขวนขวายยิ่งเนเพื่อความเกิดขึ้นเห่งผลของตนนะลักษณะของอายตนะคือสภาพธรรมที่ธรรมที่ขวนขวายเบางทียตนะเนี่ยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเนี่ย ท่านเรียกว่าเป็นธรรมที่ขวนขวายยิ่งดวงแดนเกิดกระดที่อยู่ก็ได้ที่แผ่ไปที่ชุมนมเหตุธรรมคือจิตและเจสิกเมื่อเกิดขึ้นรวมกันเสมอในภพหนึ่งหรือในสงสารวัตเนี่ยที่ไม่ปรากฏเบื้องต้นย่อมเกิดในฐานะคือทวารทั้งหกคือเกิดในจกักรทวารโสตาทวารคานทวารชิวหาทวารคานาทวาร ชือหาทวารกายทวารลำนดทวารแม้ปรากฏเหมือนแผ่ไปก็เป็นไปในทวารทั้ง6ใช่ไหมเวลาก็จะแผ่ไปเนี่ยอายตนะคือตาเป็นต้นเนี่ยเวลาก็จะแผ่ไปก็แผ่ไปในทวารคือตาเป็นต้นตัว น, นั้นไม่แผ่ไปในทวารอื่นในที่อื่นดังนั้นจักขูทวารโสตาทวารเป็นต้นเนี่ยนะจึงชื่อว่าอายตนะเปาะเป็นแดนเกิดเป็นที่อยู่และเป็นที่แผ่ไปทั้งควรกล่าวเหมือนกันว่า ที่อยู่ของเทวดาก็เรียกอะไรเทวาไรใช่ไหมที่พำนักที่พำนักเนี่ยเทวาลัยหรือเทเทวา ย, ยตะตะนาเนี่ยคือเทวาลัยนั่นแหละเทวาลัยคือเพราะเป็นที่พำนักของเทวดาต้นไม้แข็งแรงมีดอกไม้สมบูรณ์ฝูงนกก็มาจากทิศนั้นๆใช่ไหมย่อมมาประชมกันเสมอเพื่อหลีกเล่นแล้วก็หาอาหารชั้นใดทำคือเจตเจรจาตึกเนี่ยนะ จะมาชุมนุมกันเสมอจากที่นั้นๆในที่หกแห่งก็คือว่ามีรูปเป็นต้นเพื่อรับรู้ปรารมณ์ฉันนั้นโทวานทั้งหกมีรูปเป็นต้นยึงชื่อว่าอาญัตนะเพราะเป็นที่ชุมนุมก็ว่าไงนี่ถ้าหากเรามองมองลักษณะอย่างนี้เราเห็นอายัตนะเนี่ยที่บอกอายัตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเนี่ยนะอายัตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ ถามว่าอายตนะไหนเป็นปัจจัยให้กับผัสสะไหนนีตรงนี้นะ <c oughs> อย่างยกตัวอย่างในนี้แล้วบอกว่าที่จริงแต่บอกว่าจักคูวิญญาณแต่ว่าย่อมปรากฏเกิดขึ้นพอสยจักคูประสาทกับรูปารมณ์การประชุมการของอะไรจักคูประสาทรูปารมณ์และจักคูวิญญาณทั้งสามนี้จึงชื่อว่าผัสสะ ใช่ไหมอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะไอตัวอายาตนะคือตัวจากขายาตนะใช่ไหมจากจากข า, ายาตนะเนี่ยไอตัวจากขวยนะที่เป็นในฐานะเป็นตัวอายาตนะเนี่ยคําว่าอายาตนาหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรมันได้หลในย่างไงถ้าบอกว่าเป็นเป็นที่อยู่ก็ได้เป็นแดนเกิดก็ได้ เป็นที่ชุมนุมก็ได้ใช่ไหมคําว่าอาญตนาก็แปลว่ามีจักรข า, ายาตนะมีจักขูประสาร์มีรูปารม์ไอการประชุมกันในลักษณะอย่างนี้ตัวจักขายาตนากับตัวรูป า, ายาตนาใช่ไหมอันนี้ชุมนุมกันใช่ไหมร่วมกันกับมนายาตนาคืออะไรคือจักรคุยานเห็นไหมได้สามอายตนาไหมจักขายาตนารูป า, ายาตนา มะนายตะนะเจสิกในนั้นอีกเท่าไรธรรมายะตนะมีเจสิกไหมในจักรคุยานสรุปแล้วคืออายะตะนะมาชมนมกันกี่อายตะนะสี่อายตะนะการชมนมของอายตนะสี่อายตะนะนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรยืดยาวเนี่ยสังสารวัตะอันยืดยาวใช่ไหมว่าทรงไว้ซึ่งสังสารวัตรอันยืดยาว ไอตัวสังสารวัฏอันยืดยาวไปว่าพอตาจากรูปจากคุญญาณแล้วก็มื่อถ้าพูดถึงอายตนะจะชัดจากขายะตนะรูปายะตนะมานายะตนะและธรรมหมายยะตนะมาประชุมกันล้มาชุมนุมกันแล้วยืดยาวอะไรแต่นเนี้ใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เขาจึงบอกเป็นปัจจัยให้เกิดเกิดอะไรอายตนะสีอายตนะมาชุมนุมกันแล้วเป็นปัจจัยเกิดอะไ ผัสสะคือผัสสะเจสิศที่ในจิตนั่นแหละภาษาเป็นธรรมายตนะไหมแหมเป็นธรรมายตนะด้วยถ้ามองอย่างนี้จะเห็นเน้นประโยชน์เห็นไหมเนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่ต้องขึ้นกระดานนะไม่ต้องขึ้นแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอายตนะเนี่ยเป็นอายตนะ mm hmm. ว่าทางทวารตาใช่ไหม จักขายาตนะจักขุกวิญญาณเป็นมนายตนะรูปารมณ์เป็นรูปายตนะใช่หไหมสามอายตนะนี่แหละที่จริงในจักขุวิญญาณก็ก็มีธรรมายตนะใช่หไหมว่าอายาตนะเหล่านี้มาชุมนุมกันทีนี้ปัญหาถ้าจะคิดว่าไอตัวอายตนะเนี่ยใช่ไหมว่า ตัวอายะตะนะเนี่ยที่จะเป็นปจัจจัยเกิดผัสสะใช่ผัสสะก็คือเจตสิกนั่นแหละในเจตนั่นแหละผัสสะเจตสิกที่ในจักขูิญญาณนั่นแหละฉะนั้นอายะตะนะเหล่านี้ใช่จักข า, ายะตะนะนี่เองเป็นปัจจัยให้เกิดจกักขูสัมผัสสะคือผัสสะที่ในจักขุิญญาณเนี่ยนะเกิดขึ้นว่างั้นถามบอกว่าอายะตะนะเป็นปจัจจัยเกิดผัสสะนี่ใช่ไหม ถามว่าอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะเนี่ยถามบอกว่าเมื่อเป็นปัจจัยเกิดผัสสะถามบอกว่าลองมาตรึกพิจารณาดูนะถามว่ารูปารมณ์เนี่ยคือสีใช่ไหมถ้าคิดไปอ่ะไอ้เบื้องไหลเบื้องหลังของรูปายตนะน่ะมีอะไรอะไรอยู่เบื้องหลังของรูปายตนะฮะดินน้ําไฟลมมีไหมดินน้ําไฟลม อยู่เบื้องหลังของรู ป, ปายตนะแล้วยังมีกลิ่นรสโอชาธาต์เห็นไหมเอาถ้าหากว่ารูปรูปนั้นถ้ารูปรูปนั้นล่ะเป็นอะไรถ้ารูปรูปนั้นตามมาด้วยอิทธิภาวะและปุริสภาวะเห็นไหมความเป็นหญิงความเป็นชายและตามมาด้วยอะไรอีกล่ะตามมาด้วยพวก จากขู่ภาษาทาโซต่าภาษาทาคาหน้าภาษาท่าาปาทาเป็นต้นเนี่ยเช่นหรือถ้าหากเรามาดูในด้านของว่าสีสีนั้นใช่ไหมที่เป็นปัจจัยเกิดอายตนาเนี่ยนะเออที่จะรูปายตนาเบื้องหลังของรูปายตนาดินน้ําไบลมแล้วก็รสแล้วก็บอกกลิ่นรสโอชาธาต์เนี่ยแล้วตามมาด้วยกลุ่มของในลักษณะว่าไปตามไปด้วยเป็นอะไรบอกเป็นกายะประสาทก็มี เป็นภาวะทัศน์ก็มีใช่ไหมที่เป็นไปในส่วนของผมเป็นไปในส่วนของขนที่เป็นไปในส่วนของเล็บที่เป็นไปในส่วนของฟันที่เป็นไปในส่วนของหนังผมขนเล็บฟันหนังมีเป็นตาจระปัญจการกรรมฐานนะถามว่าสีบางสีเสียศีนได้ไหมเสียได้ไม่ได้สีบางสีทําให้สีล ว, วิบัติได้เห็นไหมว่าในกรณีอย่างเนี้ และปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะถ้าเรามองให้ออกเนี่ยนะถ้าถามบอกว่าตัวผัสสะตัวอายตนะตัวผัสสะเนี่ยถามว่าผัสสะนี้เป็นสัจจะอะไรอายตนะเป็นสัจจะอะไรถ้าดูแลาวเออจักขวาเยตนะเป็นทุกขสัจ ร, รูปายตนะเป็นทุกขสัจมั น, นายตนะตัว น, นี้ก็เป็นทุกขสัจเพราะเป็นวิบากธรรมายตนะในนี้ก็เป็นทุกขสัจ สรุปแล้วนี่ทุกข์ัดนะใช่ไไอตัวทุกข์ขั์ที่มันเกิดขึ้นมามันมาจากอาวิชชาตันหาอะมันมาจากอวิชชาและตันหามาจากกรรมนี่ตัวนี้นะจชไมจ๊ามันมาจากกรรมเนี่ยมันทำให้เราได้ในลักษณะอย่างนี้มาเนี่ยทีนี้ถ้าสีสีนี้เกิดขึ้นอ่าตามบอกว่าถ้าไม่มีสังวรใช่ไห อย่างยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ศึกษาอยู่เนี่ยหจิตเรามันมันเป็นไปกับบาบเลยว่างั้นเถอะบาปเกิดขึ้นฟุบพิมองสีสีนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วถ้าในลักษณะอย่างนี้เสียหายแล้ววิชาตันหากรรมเกิดมันจะตามมาด้อะไรตามมาจากักถ้าเห็นเนี่ยนะหมายว่าเห็นรูปารมณ์เห็นสีเนี่ยเนะี่ยเป็นเห็น เห็นอายตนะไอ้เบื้องหลังของอายตนะเราไม่ได้แยกแยะใช่ไหมไม่ได้แยกแยะแล้วละเมิดทุกอย่าถ้าไม่ได้แยกแยะนะละ เ, เมิดสีนทุกอย่างถ้ากลุ่มที่แยกแยะว่าเบื้องหลังของสีนั้นคืออะไรเนี่ยเหมือนอย่างในลักษณะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนไงบอกว่าดูก่อนภายยาเมื่อเห็นพึงศึกษาจากประมาณว่าเห็นไอ้ศึกษามาจากคาว่าสิกขาเขาแปลว่าเห็นเนี่ยเห็นสีเนี่ย เห็นรูปายตนาอันนั้นแล้วเนี่ยธรรมะทีศีลสิกขาเกิดขึ้นได้ไหมธรรมะทีศีลสิกขาเกิดแต่เห็นยังไงเป็นอธิศีลสิกขาก็แปลว่าถ้าเป็นพระเนี่ยท่านไปประมวลเอาปฏิโมกทั้งวรศีลมาเลยเพราะเป็นไอจะไม่ว่ากรณีที่บอกว่าศีลเนี่ยเนี่บอกความไม่ร่วงละเมิดเนี่ยก็ชื่อว่าศีลใช่ไหมความสังวรก็ชื่อว่าศีนเป็นต้นเนี่ย หรือถ้าเป็นโยมก็คืออกุศลกรรมบทนะ่อากุศลกรรมบทมันจะฟึบเข้ามาทันทีแปลว่ามาชำนาญในการตรึกลงในอากุศลกรรมบทสิบได้เลยถ้าในลักษณะอย่างนี้ถือว่าท่านบนนั้นนะ่กรณีศึกษาปฏิจจาและมันเชื่อมโยงได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในลักษณะบอกว่ า, วารูปารมเป็นตัวจากขวายตนาเป็นจากจปัจจัยเกิดผัสสะเนี่ยนะว่า ไอตัวอายตนะตัวภาษะที่มันเป็นไปก็คือการชุมนุมของการทางทวารตาบ้างทางทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแล้วก็ทวารใจเนี่ ย, ยการชุมนุมการประชมกันในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกลักษณะของคำว่าอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภาษานี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าดูอย่างนี้ดูตรงไหนดูที่บอกว่าอายตนะหกเนี่ย ปรากฏถามกว่าจักขวาเยตนะตัวจักขวาเยตนะถามว่าเป็นปัจจัยเกิดผัสสะเนี่ยนะตัวตัวผัสสะคือการกระทบอารมณ์เนี่ยนะนั่นบอกลักษณะของผัสสะเนี่ยคือการกระทบอารมณ์เนี่ยถามว่าการกระทบอารมณ์ที่จะตัวเป็นผัสสะมีสองความหมายจะวิสภาวะที่กระทบกับสวาวะที่ทําให้สัมพยุจธรรมกระทบเนี่ย สภาวะที่กระทบกับสภาวะที่ทําให้สัมปยุตรธรรมกระทบหมายความว่าธรรมชาติใดที่กระทบฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าผัสสะเห็นไหมคือบอกว่ า, วาสภาวะกระทบอะไรกระทบจักรขาญตนะกับรูปายตนะกระทบไหมรูปารม์มานายญาณะกระทบใช่ไหม ธรร ม, มายตนาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสภาวะกระทบหรือสภาวะที่ทําให้สัมปยุตธรรมกระทบนี่ไงหนึ่งถ้าสภาวะที่สัมปยุตธรรมให้สัมปยุตธรรมกระทบหมายเอาจิตกับเจตสิกเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ามานายตนะเนี่ยกับธรรมายตานะเนี่ยเห็นไหมไอตัวเนี้ยสองตัวนี้เป็นสภาวะที่ทําให้สัมปยุตธรรมกระทบ แต่ถ้าหากสภาวะที่กระทบจากขา้ายตนะรูปายตนะพูดในเรื่องภาษาเนะีจะได้แจ้งแจ้งกันสัีภาษาเนะี่ยลักษณะของภาษาเนี่ยนะี่ยภาษาเนี่ยคือการกระทบคือสภาวะกระทบคําว่าสภาวะกระทบเนี่ยต้องบวกด้วยอารมณ์ต้องตามด้วยคําว่าอารมณ์ใช่ไหมที่จริงภาษาศัพท์เนี่ยเขาแปลว่ากระทบ หรือสภาวะที่กระทบใช่ไหมปัญหาประการต่อมาก็คือว่าผัสสะก็คือสภาวะที่ทําให้สัมบยุตธรรมกระทบอารมณ์ทําให้สัมบยุตธรรมนั้นกระทบกับอารมณ์เห็นไหมเป็นตั ว, ตวนัว่นแหละทีนี้อีกในหนึ่งเนี่ยว่าถามบอกว่าตัวผัสสะคือการกระทบอารมณ์เนี่ยนะมันมีสามความหมายสภาวะกระทบอารมณ์สภาวะทําให้ สัมยุญ ธ, ธรรมกระทบอารมณ์การกระทบอารมณ์การกระทบอารมณ์ในเรื่องนี้คือการเข้าไปสัมผัสรสที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาของอารมณ์เป็นเหตุให้เวทนาอันสวยรสของอารมณ์ปรากฏได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไงเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยทีนี้ ภาษามีลักษณะกระทบอารมณ์อย่าไปถามว่าภาษานี้เป็นนามธรรมอยู่ไหมและนามธรรมอันไม่มีสภาพกระทบอารมณ์ย่อมกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้มีใช่หรือถ้าถามเงี้ยเพราะเป็นธรรมชาติที่มีสภาพก็ย่อมไปบอกว่าภาษาเป็นนามธรรมนามธรรมไม่มีสภาพกระทบอารมณ์นี่ถามบอกว่าเมื่อไม่มีสภาพกระทบอารมณ์ย่อมกระทบอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้อย่างเงี้ย ตอบว่าเอกถูกต้องถ้าเห็นอย่างงั้นมันถูกแต่สภาวะของธรรมนี้เป็นไปโดยโดยอาการกระทบโดยอาการโดยอาการกระทบและก่อให้เกิดกิจกิจอะไรกิจคือที่ทำมันกระทบอารมณ์พึงจะให้สําเร็จได้คือมันเป็นอาการที่ก่อให้เกิดกิจนั้นสําเร็จขึ้นมาได้จึงเรียกว่าอาการจึงเรียกว่าภาษะอัตถะอาจารย์จึงกล่าวบอกว่ามีลักษณะกระทบอารมณ์ ถามว่าถามต่อเลยนะไอ้ภาษาเนี่ยก่อให้เกิดกิจอะไรกิจการอะไรภาษานี่ยก็ก่อให้เกิดเกิดกิจการอะไรกิจอะไรเกิดขึ้นหน้าที่อะไรเกิดขึ้นภาษาย่อมก่อให้เกิดการถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งกิจตามสมควรแกอรงง่อารมณ์ยังไงแล้วอารมณ์นี้มันดีอารมณ์นี้มันไม่ดีเนะี่ย ไอตัวผัสสะเนี่ยมันเข้าไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั่นแหละลักษณะอาการที่กระทบหรือผัสสะนี่นะก่อให้เกิดอุบัติเหตุของเวทนาที่แตกต่างกันเห็นไหมอุบัติเหตุของทุกขเวทนาอุบัติเหตุที่เป็นสุขเวทนาอุบัติเหตุที่เป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยมันเป็นเพราะผัสสะนี่แหละเขาเรียกอาการที่มันกระทบสภาวะที่กระทบอารมณ์ หรือการกระทบอารมณ์มันมีผลอย่างนี้ทีนี้ผัสสะเนี่ยก่อให้เกิดอุบัติของเวอุบัติเห็นเวทนาต่างๆนี่นะอย่างเช่นว่าในการเกิดยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่คนอื่นกำลังเคี้ยวมะขามเนี่ยนไหน้ำลายเป็นต้นของคนอื่นเพราะเห็นอีกคนหนึ่งเคี้ยวกินของเปรี้ยวนี่เนี่ยนะถามว่าในขณะนั้นอานาจของผัสสะเนี่ย มันกระทบพอมันกระทบก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุของเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นแกอีกคนหนึ่งมองเห็นยังพราะเห็นรถชนกันตู้มเลยไอตัวกระทบเนี้ยพรรษะเนี่ยอำนาจของพรรษะเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอธิบา ย, ยางี้คงจะมองเห็นว่าเนี่ยจักรครูทวานโสตัฐทวานคานณทวานชิวหาทวานกายยะทวาน มนโนทวารภาษาเกิดได้หกทวารผัสสะเกิดได้หกทวานนี่เป็นอย่างนี้นะเออจะต่อไปได้ทําความเข้าใจมันชัดนะะเดี๋ยวเข้าใจภาษาไม่ถูกเหรือเรียนปฏิจจาแล้วว่างั้นเรียนปฏิจจารเข้าใจผาาัสสถูกอันนี้อันนี้ไม่สงสยัยเลยนะไม่ไม่สงสัยภาษาแล้วหรือยังสงสัยอยู่ไม่ใช่สัตว์บุคคลไปกระทบเนะี่ย ก็ไม่น้ำลายก็ไม่ไหลเลวลาคนกินมะขามน้ำลายก็ไม่ไหลฉะนั้นในลักษณะของการกระทบอารมณ์ถูกต้องออหรือว่าสภาวะที่ทําให้สัมปยุทธเนี่ยท่านจึงกล่าวไว้สองในไงในความหมายที่บอกว่าสัมปยุทธธรรมคือจิตและเจสึกสงหลายย่อมกระทบซึ่งอารมณ์โดยธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุให้สัมปยุทธธรรมกระทบซึ่งอารมณ์นั้นจึงชื่อว่าผัสสะเห็นไหม การกระทบชื่อว่าผัสสะทีนี้ผัสสะเนี่ยมีหกใช่ไหมจักขู่สัมผัสสะโสตสัมผัสสะคาณาสัมผัาาสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะและก็มโนสัมผัสสะอันนี้แยกแยะละเอียดแล้วออแล้วมีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะแล้วก็อธิบายจนเบ็ดเสร็จหมดแล้วใช่ไหมนี่นี่คือผัสสะ ทีนี้ผัสสะเป็นปัจจัยเกิดอายตนะใช่ไหมหรืออะไรอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะจากขวายตนะเป็นปัจจัยช่วยอุการะแก่จากขู่สัมผัสสะเป็นต้นถ้าเรามองอย่างนี้คือท่านมองในแง่ของในแง่ของสหาชาตชาติถ้ามองในแง่ของศาสตชาตชาติเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยยากนะใช่ไหมดูเหมือนไม่ค่อยยาก ขอเหมือนเนี่ยหเหมือนไม่ก็ยากจากขายาตนะเป็นปัจจัยแกอุปการะแก่จักขุสัมผัสได้อำนาปจปัจจัย6เหมือนถ้าพูดถึงจากขายาตนาคืออายาตนาคือตายังไงการประชุมกันทำจริงๆตรงนี้คือเอาตัวตั ว, ต, วตัวจากขายาตนะตัวจักขุ菩萨ไม่ใช่เป็นปัจจัยแก่รูปายาตนะแต่เป็นปัจจัยแก่จักขุสัมผัส เป็นปัจจัยช่วยบุคลาแก่ณผัสสะเจตสิกที่ในไหนที่ในจกักขุวิญญาณใช่ไหมจักขลายตนะเป็นปัจจัยกับผัสสะเจตสิกที่ในจกักขุวิญญาณเนี่ยทีนี้จักขลายตนะที่จะเป็นปัจจัยกับจกักขุวิญญาณเนี่ยนะถ้าไปดูเนี่ยนะไปดูในตัวการเชื่อมต่อว่าตรงนี้ถ้าดูวิถีแต่ดูวิถีเราก็ ไปดูในข้อที่13ก็ได้ในหน้าที่76็บใช่มมันทายุกะจักขุประสาส์มันทายุกะโสตประสาส์คาณาปราสาทชิวหาปราสาทและกายะประศาสเนี่ยเห็นไหมถีติปัตตะหรือปัญจประสาทที่เข้าถึงถีติขนาดของตนมีจำนวน49รูปเนี่ยในขณะที่ตั้งอยู่นั่นเองเป็นปัจจัยให้กับจักขุสัมผัสะ หมายถึงภ so so. um ัสสเจตสิกที่ในจัก enfin ุญานเนืเป็นปัจจัยแก่โสตสัมผัสสะคือโสคือภัสสะที่ในโสตวิญญาณเป็นปัจจัยแก่คานสัมผัสสะคือภัสสะที่ในคานาวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ชิวหาสัมผัสสะคือชิวหาที่ในภัสสะในชิวหาวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กายสัมผัสสะคือภัสสะที่ในกายะวิญญาณเนี่ยนี่อำนาจปัจจัยห วัตถุปุเรชาตะปัจจัยวัตถุปเรวัตถุปุเรชาตานิสยปัจจัยวัตถุปเรชาตะปัจจัยวัตถุปเรปุเรชาตินิสยปัจัยวัตถุปเรชาต่วิปยุตตาปัจจัยวัตถุปเรชาตัดทีวัตถุปุเรชาตะอวิคตาปัจใจดามนาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะนิสยาอย่างไงอ่ะดูจากขายตนาหรือจักขปสาษา ถ้าหากเป็นมัชชิมายุกาจากขุปัสสัดเอาขณะดหนึ่งที่เกิดพร้อมกันกับอุปาทั้งขนาดก็มีแต่เพระวังอยู่มั้งแต่ถ้าเอามันทายุกาอมันทายุกามัชชิมายุการวมกันเป็น49ขณะขนาดทีติขณะปัตตะขนาดตั้งอยู่เป็นปัจจัยกับผัสสะเจตสิกที่ในจากขริญาณเป็นต้นอันนั้นก็เห็นไหมเขากําลังเกิดขึ้นใช่ไหมเขาเป็นจากขวายะตะนาไหมเป็นวัตถุไหมเป็นจากขรวัตถุ เกิดก่อนไหมเป็นปุเรชาตะเป็นที่อาศัยให้กับผัสสะเจตสิกในจักขคูวิญญาณไหมใชายเป็นปัจจัยให้กับผัสสะเจตสิกในจกักรวิญญาณฉะนั้นจึงได้ในข้อคําว่าเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยตัวผัสสะตัวจักขคู่สัมผัสสะเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจยุบันโยมูเห็นอย่างตัววัตตัว จักขู่จักขายตนาเป็นวัตถุเปรียชาตปัจจัยตัวจักขู่สัมผัสสะเป็นวัตถุเปรชาตปัจจยุบันจักขายตนาเป็นปเป ร, รียชาตินริยปัจจัยเป็นจักขุนสีไหมจักขายตนาเป็นจักขุนสีไหมเป็นอินทรีย์ก็เรียกเป็นจักขุนสีแบบนีงง้ตัวจักขู่สัมผัสสะก็เป็น ปุเรชาตินตรีปัจจยุบันใช่ไหมตัวจักขายตนะเป็นเป็นจกักขูวัตถุด้วยเกิดก่อนด้วยเป็นวิปปยุทธกับจกักขูสัมพัสสะไหม mm hmm. เป็นวิปปยุทธเพราะจักข่ายตนะเป็นรูปจกักขูสัมพัสสะเป็นนามใช่ไหมรูปกับนามเป็นวิปปยุทธจกักขูวัตถุจักข่ายตนะเกิดก่อน mm hmm. และก็ เป็นวัตถุด้วยแล้วก็เป็นวิปยุทธกับนามคือภาษาภาษาก็อยู่ในฐานะเป็นวัตถุปเปรชาตะวิปยุทธต่ปัจจุบันจากขวัตถุเป็นจากขวัยยตนะเป็นวัตถุปเปรชาติยังมีอยู่ใช่ั้มเห็นไัมยังมีอยู่และยังไม่ปราศจากเป็นอวิคตะด้วยฉะนั้นจึงได้ในแง่ของวัตถุเรยชาต ตัดทิปัดใจตัวจักขูวัตถุก็เป็นหรือตัวจกักขู่สัมผัสก็เป็นวัตถุเปรียชาตัิปัจจยุบันเป็นวัตถุเปรียชาตะวิคตะปัจจัยตัวจกักขู่สัมผสัสก็เป็นวัตถุเปรียชาตะอวิคตะปัดจุบันไปตรงนี้ก็แยกให้ออกเอาต่อไปข้อที่สองที่จริงเมื่อกี้ว่าไปครบเลยเนี่ยโสตายานนาเป็นปัจจัยกับโสตสัมผัสก็ได้มาเป็ปัจจัย6 คานายตนาเป็นปัจจัยแก่คานาสัมผัสสะก็ได้หกชิวหายตนาเป็นปัจจัยแก่ชิวหาสัมผัสสะและกายาะตนาเป็นปัจจัยกับกายะสัมผ ah, ัสสะก็ด้อำนาปัจจัยหคือวัตถุปเรชาแตนิสยาวัตถุปเรชาตะปัจจัยปเรชาตินตรียปัจจัยวัตถุปเรชาตะวิปยุตปัจจัยวัตถุปเรชาตัธิปัจจัยวัตถุปเรชาตะ อวิคัตตปัจใจใช่ไหมก็ได้อํานาจปัจจัยในลักษณะเช่นนี้ทีนี้ในโสตายตนาคานายตนาชิวหายตนาและกายายนะเป็นปัจจใจชื่อประการละแก่โสตสัมผัสสะคานะสัมปัสสะชิวหาสัมปัสสะและกายาสัมผัสสานะนะั้นได้6ปัจจัยดังที่ได้กล่าวประการต่อไปก็คือมนายตนะนี่เป็นข้อที่6กใช่ัหม มะนายตนะนี่นะมะนายตนะในที่นั้นคือโลกียวิปากจิตสาสองเออยสิบเว้นทวิปัญจวิญญาณจิตสิบออกไปใช่ไหมเว้นออกไปพราะไปเป็นอยู่ในข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วฉะนั้นจึงเหลือจึงเหลือยี่สิบยี่สิบนั้นประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยมหาวิบากแปด รูปรูปวิบากาได้เท่าไรแล้วสิบสามแล้วใช่ไหมสัมปติชนะจิตสองสันติอีกสามเป็นเท่าไรแ ล, แล้วอะไรอีก อ, อารูปวิบากเลยหรือเปล่าเพราะอะไรจึงได้เพราะเป็นเพราะเป็นมนโนสัมผัสสะใช่ไหมเพราะเป็นมนโนสัมผัสสะเนี่ยไม่ใช่ทั้นได้อารูปวิบากอีกสี่ สรุปก็คือว่าสัมปติชนะติดสองสันตีสา ม, มหายบากแปดรูปวิบากห้าอรูปวิบากสี่ <_ S 1> ก็แปลว่านี่คือมานายตนะคือโลกเยาวิบากเหล่านี้ตัวมานายตนะเหล่านี้เป็นปัจจัยคือช่วยประกาศละแก่มโนสัมผัสสะคำว่ามโนสัมพัมสสานี่ได้แก่อะไรผัสสะเจตสิกที่ในวิบากเหล่านั้นนั่นแหละใช่ไหม ภาษาที่ในสัมปติชนะภาษาที่ในสันติระนาที่ในมหายบากที่ในรูปวิบากที่ในอรูปวิบากเห็นไหมอยู่ในความหมายไหนดีนี่ภาษาเนี้ยสภาวะที่กระทบอารมณ์หรือสภาวะทําให้สัมยุตธรรมกระทบอารมณ์ได้ทั้งสองความหมายไหมได้เนาะสภาวะที่ทําให้การกระทบอารมณ์เนี้ยเกิดขึ้นทีนี้ในข้อนี้ช่วยอุป ก, การละแก่มโนสัมปสะ ที่ประกอบกันกับตนด้านอำนาจปัจจัยเท่าไหรอำนาจปัจจัยเท่าไหร่าาหาะลองตามไปดูนะว่าตัวมโ น, โนเนี่ยตัวมโนสัมผัสสาี่ตัววิบากจิตตัวเนี้นะอ่าเราตามไปดูในกลุ่มของปัจจัยที่เป็นสาชาตรชาติเล็กอย่าง้นะถ้าในกลุ่มของสาชาตชาติเล็กเนี่ยมันจะมาสองนามะอาหาละปัจจัยใช่เป็นวิญญาณัหมจิตเป็นวิญญาณไหม วิบากนี้เป็นวิญญาณอาหารว่า ง, งั้นนะได้นามหารปัจจัยแล้วก็เป็นอินทรีย์ไหมเป็นอินทรีย์ไหม เ, เขาเรียกเป็นมนินทรีย์เขาเรียกว่าเป็นได้สาชาตินตรีย์ปัจจัยสรุปแล้วใช่ไหมพอเล็กมาสองใหญ่สี่สาชาตะปัจจัยสาชาตะนิสยปัจจัย สาชาตัดทีปัจจัยซาชาตะอวิคตะปัจจัยรวมเป็นหกนะกลางเดีนี้ตามไปดูกลางนี้มนโนสัมผัสสะกับผัสสะเจตสิกเนี่ยเขาได้วิบาวิปากับปัจจัยที่ชัดอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นวิบากจิตได้วิปากับปัจจัยได้อัญญามัญญะปัจจัยได้สัมปยุตตปัจจัยเว้นซาชาตาวิปปะ สรุปแล้วคือว่ากลางสีใหญ่สมเล็กสองเป็นกล า, างใหญ่4กลางสมเล็กสองเป็นเป็นเท่าไหร่เป็นเก้าปัจจัยนะนี่เขาเรียกว่าได้ปัจจัยเก้าปัจจัยนี่เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นะนี่ลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ ถ้าไปไล่ไปตามลำดับเขาก็จะต้องไล่ในลักษณะบอกว่าได้สห a า h a ตปัจจัยอัญญมัญญาปั จ, จัยสห a า h a ตนิสยปัจจัยแล้วเขาวิปากับปัจจัยนามหารปัจจัยสาชา h ตินตรียาสัมบยุตตาสาชาตัตติสาชาตวิกตะเพราะมีพระมหัลักษณะของอาญาตนาคือมานายาตนาใช่ไหมคือโรเกิยวิปากจิตสห2ีเว้นตวิปัญจวิญญาณจิตสิ เป็นปัจจัยช่วยประการักษแก่มโนสัมปัสสาที่ประกอบกับตนด้วยอํานาจอํานาจปัจจัยเกา้ส า, า, า, าสาชาตะอัญญามัญญาสาชาตานิสยวิปากะนามาราปัจจัยสาชาตินิริยาปัจจัยสัมยุญตปัจจัยสาชาติถิปัจจัยสาชาตะอาวิขตะปัจจัยในสัมโมห์วิโนธนีอัตถาท่านแสดงบอกว่ามีผู้สงสัยว่า พรรษาอันเดียวย่อมเกิดแต่อายตนะทั้งหมดไม่ได้พรรษาอันเดียวพรรษาอันเดียวจะมาเป็นปัจจัยแกอายตนะทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะได้ใช่ไหมเพราะงั้นแม้พรรษาทั้งหมดที่เกิดแต่อายตนะอันเดียวก็ไม่ได้ก็พรรษาตรัสไว้อันเดียวเท่านั้นว่าสรายาตนะปัจยโยผัสโศ ภาษะมีเพราะสลายตระนัเป็นปัจจัยดังนี้เหตุใดเหตุใ ด, ดจึงตรัสภาษะไว้ดังนี้ดังนั้นเล่างฟังเข้าใจปัญหาป่ะเนี่ยเอาเข้าใจสรุปให้ฟังนิดนึงทีดนึงไงคําวิสัชนาเข้าหมายความบอกว่าผัสคาตอบคำถามหรือว่าภาษาอันเดียวเนี่ยย่อมเกิดแต่อายาตนะทั้งหมดน่ะไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งผัสสะเห็นไหมจากขูผัสสัมผัสสะเนี่ยจะเกิดจากอายตนะทั้งหมดเลยได้ไหมจากจักขาอายตนะโสตายตนะคานาชิวหากายาและมัณนายตนะเนี่ยเห็นไหมแม้ผัสสะทั้งหมดแหะจากขูสัมผัสสะโสตสัมผัสสะคานาสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะมโนสัมผัสสะก็เกิดแต่อายตนะอันเดียวได้ไหม ไม่ได้ก็เพราะภัสสะตรัสไว้อันเดียวเท่านั้นว่าสรายาตนาปัจเยปัจยาผสโสภัสสะมีเพราะสรายาตนาเป็นปัจจัยดังนี้เหตุใดจึงตรัสภัสสะไว้ดังนั้น <c oughs> เล่า <c oughs> วิสัชนาบ่อนี้เป็นความจริงใช่ว่าภัสสะอันเดียวเกิดแต่อาญาตนะทั้งหมดหรือภัสสะทั้งหมดเกิดแต่อาญตนาอันเดียวก็าหาไม่แต่ว่า ผัสสะอันเดียวย่อมเกิดแต่ได้แต่อายตนะหลายอย่างดังเช่นดังเช่นดังเช่นจักขคู่สัมผัสสะเกิดแต่จักขายตนะรูปายตนะมนายตนะคือใจและธรรมายตนะเห็นไหมยังไอตัวตัวจักรคู่สัมผัสสะเนี่ยที่ชี้เห็นเนี่ย จักรู้สัมผัสเนี่ยนะคือผัสสะเจตสิกที่ในจักรูวิญญาณเนี่ยนะเกิดจากมัญญายตนะเกิดจากรูปายตนะจักขายตนะธรรมายตนะอย่างนี้ได้นไะคือเจตสิกกระทาที่ประกอบกับจักรูวิญญาณ น, นั้นเนะี่ยผัสสะจึงเกิดแต่อายตนะได้หลายอย่างตามสมควรทุกๆุกผัสสะ นี่เป็นในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าจะเกิดในลักษณะแง่ไหนมุมไหนอย่างไรใช่ถ้าเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> เหตุหนึ่งอย่างไม่ใช่เกิดมาเพราะปัจจัยอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ว่าเราจะสืบค้นหาในแง่ในแง่ไหนมุมไหนและถ้าหากสืบค้นในแง่ของอารมณนะ ใช่ไหรูปารมเนี่ยไหยรูปายตนะเนี่ยในด้านของรูปายตนะนั้นถ้าเราจะไปสืบค้นว่าที่เป็นปัจจัยเกิดภาษาเนี่ยจักขู่สัมผัสเนี่ยยังได้ในแง่ของอารามนาะอารามนาปุเรชาตะอารามนาปุเรชาติอารามนาปุเรชาต ะ, อ, า ะ, าตะอวิคตะปัจจัยอย่างนี้ยังได้ใช่ไหมหรือจะไปสืบค้นในลักษณะว่าจักขู่สัมผัสสคือภาษาในจักขุ ญ, ญานเนี่ย เกิดขึ้นเพราะมนญายะตนะนหรือถ้าจะไปสืบค้นหาหาจักขายะตนะก็ได้ใช่ไหมหรือหรือถ้าจะมองมองในลักษณะว่าถ้ามองในแง่ของอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าจักขวะในด้านของวัตถุเนี่ยในด้านของวัตในด้านของวัตถุกเนี่ยนะเออข้อภัยในด้านของวัตถุปริชาติชาติเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ย หมว่าวัตถุปรีรชาตานิสยวัตถุปเปรียชาติปเปรีชาตินทิสยว ะ, ะวัตถุปเปรียชาตาวิบวัตถุปเปรียชาติถิวัตถนะุเปรียชาตาวิคตาเเห็นไหมว่าถ้าเรามองในในมุมปัจจัยตรงนี้เราก็เห็นเยอะนี่เรามองในแง่คำว่าอายตนะเป็นปัจจัยเกิดภัสสะนะเห็นไหมแต่ถ้ามองในมุมนี้มองในมุมว่าเอาในมุมนั้นในมุมว่า และตัวผัดจากขู่สัมผัสสะเนี่ยกับตัวตัวไหนกับตัวมัณนนยตนาะถ้ามัณยตนะเช่นตัวจากขุยานเนี่ยเป็นปัจจัยให้กับจากขู่สัมผัสสะคือจากขุยานะ่ะได้ไหมได้ไม่ได้สัมปยุตได้ไห ม, ไมในแง่ศาสาาตรชาติได้ไห ม, ไ, มได้ทันทีเลยตัวเนี้ยในแง่าสาชาตชาติทาไมไม่ได้โหรอกใช่ไหม ถามว่าจากักขวิญญาณเนี่ย Banana, เป็นวิปาก ai, ับปัจจัยไหมเออเออขอไปจกักขวิญญาณเนี่ยเป็นนามอาหารไหมเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมจักขวิญญาณเนี่ ย, <um ยเป็นนามอาหารรปจจัยก็ได้ได้อาหารไหยแต่ทําไมท่านไม่เอาอ่ะที่จริงเนี่ยถ้าจะท่านจะท่านจะจัดก็ได้ใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้จัดสัมปยุตตะปัจจัยเข้ามาใช่ไหม ที่จริงอาหารอาหารในที่นั้นใช่ไหมคำว่าไอ้วิญญาณอาหารเนี่ยได้แก่จิตทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นตัวจกักรวิญญาณก็เป็นวิญญาณอาหารก็ได้อาหารและปัจจัยเหมือนกันอ่แล้วก็ในแง่ของใช่ไม่ได้ถ้าจะส่งข้อลงปัจจัยไงถ้าจะส่งข้อลงปัจจัยนี้เพราะเอิญเราไม่ได้ส่งข้อเรามุมนี้เราไปส่งข้อในแง่ของตัววัตถุตัวเนะเราไปเอาตัว กขายยตนาเป็นปัจจัยกัจักขูสัมปัสะเอารูปเป็นปัจจัยแก่ น, น้ำแต่ถ้าเอาน้ำเป็นปัจจัยแก่ น, น้ำสาชาตชาติก็จะเข้าก็จะได้วิปากะจะได้อัญญาบรญยาจะได้สัมปยุตตะแล้วก็จะได้สาชาตาสาชาตานิสยาสาชาตตีสาชาตาวิคตะถึงบอกว่าอำนาจปัจจัยเนะี่ยเป็นไปด้วยอาการในลักษณะเช่นนี้นะนี่นีเป็นอย่างงี้นะ ถ้าหาว่าการศึกษาถ้าเรามองมองอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มเห็นใช่ไหมก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้เนี่ยจริงๆเป็นอย่างนี้นะว่างี้ยจริงๆเป็นอย่างนี้อปรรการต่อไปพอไปทําความเข้าใจตรงนี้แล้วท่านปรานว่าสรายาตนะเป็นปัจจัยให้เกิด่ขอมานายญตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเนี่ยนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะได้เก้าวปัจจัยนี่จบแล้วนะ จบอย่างเนี่ตรงเนี้ยจบแล้วต่อไปขึ้นในข้อว่าภัตตาปัจยาเวทนาเหมือนกนเวทนาหกย่อมเกิดขึ้นพ่อสัยภัตตาหกเป็นปัจจใจตรงเนี้ยไปดูวัจนธ า, าความหมายของคาว่าเวทนาต่อไปไอ้คาว่าเวทนาเนี่ยก็แปลว่าอะไรความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยคือสภาวะเสวย ไอ้สภาวะเสวยในี่ย้ตงต่อด้วยคําว่าอารมณ์ด้วยนะเวทนาเนี่ยนะเสวยอารมณ์หมายความว่าเสวยอะไรอะ่ะเสวยรสของอารมณ์คําว่าเสวยในที่นั้นคือเสวยรสของอารมณ์กระทํารสของอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดให้ชัดเจนประจักษ์แก่สัมประโยชนธรรมหรือแก่บุคคลผู้ประกอบด้วยเวทนานั้นๆ เออถ้ามองถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นความเด่นชัดเจนของคําว่าเวทนามากขึ้นนะเวทนาเกิดขึ้นเพราะภาษาเป็นปัจจัยใช่ไหม mm hmm. ทีนี้ความรู้สึกหรือสภาวะสวยอารมณ์เนี่ยสวยรสของอารมณ์กระทารสของอารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดให้ให้ปรากฏชัดเนี่ยนะให้ชัดเจนประจักษ์แก่สัมปยุต ธ, ธรรมใช่ไหมเพราะสัมปยุต ธ, ธรรมนั้นจะได้สวยรสแห่งอารมณ์ได้ชัดเจนได้นั้นก็ต้องอาศัย เวทนาหรือแก่บุคคลผู้ประกอบด้วยเวทนานั้นๆเช่นคนที่ได้ประสบกบเวท น, นานั้นๆได้ได้ประกอบกบเวท น, นานั้นๆก็จะได้ประจักกเวทนาที่ตัวเวทนานั้นจัดสรรให้อีกในหนึ่งเวทนาคือสภาวะทำให้เหล่าสัตว์ได้รับความชอบใจหรือไม่ชอบใจกวางงั้นตัวเวทนานี่แหละเป็นสภาวะที่ให้เหล่าสัตว์ทั้งหลาย เข้าถึงสภาวะที่ชอบใจและไม่ชอบใจทีนี้ถ้าถ้ามองอีกจุดหนึ่งท่านบอกว่าถ้าอีกในหนึ่งเวทนาคือความสวยอารมณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายเราเรียกเวทนาเพราะรู้สึกถามรู้สึกยังไงว่ารู้สึกสุขบ้างรู้สึกความทุกบ้างรู้สึกสภาพที่ไม่สุขไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างว่าไง ฉะนั้นคําว่าเวทนาจึงมีสามใช่ไหมสามคือสภาวะสวยอารมณ์อ่ะสภาวะทําให้เราสัตว์ได้รับความชอบใจหรือความไม่ชอบใจแล้วก็การสวยอารมณ์สามประการนะสภาวะเสวยอารมณ์สภาวะทําให้เราสัตว์ได้รับความชอบใจและไม่ชอบใจแล้วก็การเสวยอารมณ์ทีนี้ถามว่าสภาวะนี่นะ <c oughs> ถามบอกว่าสภาวะ ธรรมคือจิตกระเจตสิกทั้งหมดมักจะรู้สึกรสของอารมณ์เป็นปกติจึงชื่อเวทนาได้ไม่ใช่หรือจิตและเจตสิกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรู้สึกต่ออารมณ์ไหมรู้สึกไหมจิตและเจตสิกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทุกดวงเนี่ยรู้สึกต่ออารมณ์ไหมรู้สึกรสอารมณ์ไหมรู้สึก ร, ร, รสกรของอารมณ์มณไหมเขาบอกสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่ชื่อว่าเวทนา เพราะขวนขวายในหน้าที่อื่นหน้าที่อื่นจึงรู้สึกรสของอารมณ์โดยตรงไม่ได้ก็ว่าเมื่อกระทาหน้าที่ของตนของตนอยู่ย่อมรู้สึกรสของอารมณ์เพียงบางส่วนแต่เวทนานั้นรู้สึกโดยความเป็นใหญ่เพราะ ไม่มีหน้าที่อื่นและมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่รู้สึกเวทนาจึงควรได้เชื่อเวทนาเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระอตคคถาจารย์จึงกล่าวว่าจิตและเจสิกเหมือนพ่อครัวไงจิตและเจสิกเหมือนพ่อครัวในการชิมอาหารอันเลิศลดรสของพระราชากล่าวเวทนาเหมือนพระราชาผู้เสวยรสของอาหารนะถ้าดูตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วอัคคถาขยายไว้เลยว่าพ่อครัวกับ ที่มีหน้าที่ปรุงรสอาหารในีกับพระราชาคนที่ได้สวยลดมากที่สุดนั่นคือพระราชาเวทนาเหมือนพระราชาจิตและใจสึกอื่นๆเหมือนพ่อครัวได้คนละนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยน่อยอย่างนี้เห็นชัดขึ้นนะนั่นคือลักษณะของเวทนาเขาจึงมีวจนะถ า, าบอกว่าเวทยาตีติเวทนาธรรมชาติใดย่อมเสวยอารมณ์ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่า เวทนาก็บอกเสวยอารมณ์ม่ให้รู้กันเลยนะสภาวะเสวยอารมณ์สภาวะทําให้เราสัตว์เราสัตว์สวยรสของอารมณ์เลยนะและสภาวะที่สวยอารมณ์เนี่ยทาให้เราสัตว์สวยรสของอารมณ์ถามว่าธรรมชาติใดเสวยแล้วก็ทำให้เราสัตว์สวยรสของอารมณ์เมื่อว่าโดยประเภทของการรลบอารมณ์แล้วก็มีการเสวยอารมณ์อยู่3ามใช่ไหม สุขเวทนาเป็นความรู้สึกสบายและสบายกายสบายใจเมื่อได้ประสบกับรมที่เป็นอิธารมณ์นั้นอย่างหนึง่งทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อประสบกาับรมที่ไม่ดีคืออนิธารมณ์นั้นอย่างหนึง่งแล้วก็เวขาเวทนาความรู้สึกความรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนใจไม่สุกกายไม่ไม่ไม่สุกกา ย, ส, กายสุขใจ อันนี้ประสบอารมณ์ปานกลางเป็นมัชชตาอารมณ์นะว่าโดยปุคราทิฐานปุคราทิถานและมีกิยามีกิยางปุคลาทิถานมีสองสุขได้แก่สุขขาสักขตาสัมผัสสะชาเวทนาโมนสมณัสสะขตามโนสัมผัสสะชาเวทนาและอุเบขาเวทนาที่เกี่ยวกับอกุศลวิบากกุศลกรรมและกิริยาหัวเ น, นอันนี้ตัวสุขนะ ส่วนทุกข์ก็ได้แก่ทุกข์ขาสาคตากายสัมผัสสชาเวทนาทมนัสาคตะมโนสัมผัสสชาเวทนาและเบวขาเวทนาที่เกี่ยวกับอกุศลนิบาศและที่เกี่ยวกับกุศลนิบาศและ อ, ก, อกุศลอนิบาศและอกุศลกรรมเหมือนกนความสุขและความทุกข์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็โดยอาศัยอะไรเป็นปัจจัยอาศัยผัสสะ อาศัยภาษะการกระทบกันระหว่างจิตกับอารมณ์เป็นเหตุและความสุขและความทุกข์จะมีมากหรือน้อยต้องอยู่กับกําลังของภาษาหรือเปล่ากําลังของภาษาเนะการกระทบกันระหว่างจิตอารมณ์กําลังน้อยความรู้สึกสุขทุกข์ก็ปรากฏน้อยแต่ถ้ากระทบแรงกําลังมากความรู้สึกสุขและทุกข์ก็ปรากฏชัดเจนถ้าบอกว่ารับประทานอาหารในนี้ท่านดูมาฟันที่มีหน้าที่เคี้ยวอาหาร ลิ้นที่มีหน้าที่รู้รสอาหารถ้าฟันไม่ทําหน้าที่เคี้ยวอย่างเต็มที่ลิ้นก็รู้รสได้นะถ้าเคี้ยวอย่างเต็มที่ฟันก็รู้รสอย่างชัดเจนไอ้ตรงนี้ก็บอกว่าอุปมานี้ชั้นใดผัสสะเปรียบเสมือนฟันเวทนาเปรียบเสมือนลิ้นว่าไงอารมณ์เปรียบเสมือนอาหารการกระทบกันระหว่างจิตอารมณ์เปรียบเสมือนการเคี้ยวอาหาร การกระทบที่มีกําลังมากหรือน้อยนั้นเปรียบเหมือนการเคี้ยวได้เต็มที่และไม่เต็มที่ฉันนั้นเหมือนกันครับฉะนั้นภาษามีกําลังแรงเวทนาการเสวยลมก็ปรากฏชัดเจนเห็นชัดขึ้นได้ยินชัดขึ้นแล้วเมื่อมีการเห็นชัดได้ยินชัดอิทธารลมอนิทธารลมหรืออิทธารสอนิทธารสเนี่ย น, นะที่มีอยู่ในรมนั้นก็ย่อมปรากฏชัดเพราะอะไร เพราะจักคูวิญญาณการเห็นเป็นต้นมีหน้าพี่เพียงทำรูปทำรูปนั้นให้เป็นอารมณ์เท่านั้นว่าไงโสวตวิญญาณคานาวิญญาณจิวหาวิญญาณกายาวิญญาณเป็นต้นก็เช่นเดียวกันนะก็ทำเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นให้เป็นอารมณ์เท่านั้นหาได้ทำอิทธรสอนิธรสที่มีอยู่ในอารมณ์นั้นให้ปรากฏขึ้นได้หรือไม่ก็ว่าน้นทีนี้ถ้าบอกว่า ทำที่สามารถกระทําอิทธรสและอา น, นิทธรสให้ปรากฏได้นั้นได้แก่ผัสสะได้แก่ผัสสะฉะนั้นสภาพของผัสสะเนี่ยในเวลาใดที่ได้รับอารมณ์ที่ดีในเวลานั้นผัสสะก็ได้ทําหน้าที่บีบคั้นให้อิทธรสคือรสที่ดีนี่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าหากได้รับอารมณ์ที่ไม่ดี ก็หมายถึงภาษากระทำหน้าที่บีบอนิจทรุให้ปรากฏขึ้นเมื่ออิทธารุอนิจทรุปรากฏเกิดขึ้นเวทนาที่ทําหน้าที่เสวยรสของอารมณ์นั้นๆเกิดความรู้สึกสบายเมื่อได้รับอิทธารุหรือรู้สึกไม่สบายเมื่อได้รับอนิจทรุธคือรสที่ไม่ดีเนี่ยนะด้วยเหตุนี้ในขณะที่เวทนากําลังเสวยอารมณ์สุขในรมอยู่เวทนานั้นย่อมแสดงอาการของตนให้ปรากฏแก่บุคคลนั้นว่า ในนี้เข้าอธิบายไว้ดีนั่นกันนะนะให้ปรากฏแก่บุคคลนั้นทําให้มีหน้าตาแจ่มใสสดชื่นโลกสมมุติว่าคนนั้นกําลังมีความสุขกว่าินมีการสมมุติอุ้ยท่านผู้นี้กําลังมีความสุขแต่ถ้ามองย้อนกลับไปมีจากอะไรนะปัจจัยมีอะไรบ้างภาษาใช่ไหมภาษาทาหน้าที่อะไรอิทธรสรู้จักคําว่าอิทธรสไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ที่ดี บวก ก, กันกับอะไรมันแรงใช่ไหมอะไรทำให้แรงภาษาป่าการกระทบกับอารมณ์ที่ดีๆแรงและนานๆมันก็เลยทำให้อิทธรสปรากฏเกิดขึ้นวนะเพราะอิทธรสนั้นปรากฏเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ารูปารมรูปายตนะเนี่ยนะแล้วบวกด้วยจักขายตนะตาก็ดีด้วยนะตาก็ดีรูปารมก็ดีหน้าชอบใจด้วยนะ จักขูสัมผัสก็แหมเต็มที่เลยนะตรงเนี้โอ้โหเวทนาที่เกิดขึ้นมาก็ดีทีเนี้ยที่จริงเอเวทนาที่ทําให้หน้าตาผ่องใสตามมาเนี่ยมันเลยมันเลยจกักขูนญาณแล้วเนะมันเลยเวทนาได้จักขูนญาณแล้วนะเป็นเวทนาในชาวนะไปนู่นแล้วว่างั้นอันนั้นเขาไปเป็นปัจจัยในฐานะเป็นอุปนิสยปัจจัยไปแล้วมีกําลังแรงกล้ามากทําให้หน้าตาเอิบอิ้มผ่องใส โลกสมมุติว่าอุ้ยสันทันณฑ์ผนี้กําลังมีความสุขเนี่ยเพราะได้อิทธรสคือรสที่ดีฝ่ายดีได้อิทธาร่มมาร่มที่ดีนะจากการที่กระทบสัมผัสที่ดีว่างั้นผัสสะที่ดีเนี่ยได้ผัสสะที่ดีอะรูปารมณะที่ดีมีจักขวิญญาณเนี่ยนะมีจักขายาตนะมีผัษะเกิดขึ้นมาก็ได้อิทธารมณ์นั้นก็กระทบใช่ไหมแล้วสุขเวทนาก็ตามมาก็างั้นทีนี้ ทำให้หน้าตาประการต่อมาถ้าหากว่าเป็นเป็นอนิทรถคือรถที่ไม่ดีกำลังเสวยทุกขเวทนาในรมอยู่ขณะนั้นเวทนาแสดงให้ปรากฏแก่บุคคลเช่นเดียวกันทำให้หน้าตาหม่นหมองเศร้าส้อยว่าโล ก, กสมมุติว่าบุคคลนั้นกำลังมีความทุกข์อยู่ลักษณะอย่างนี้เป็นคำอธิบายตามในของปฏิจจสมบตัติตามข้อที่บอกว่าภาษาปัจญาเวทนาเนี่ยว่างั้น ในสัมโมหาวิโนธเนียตกถาท่านแสดงนิเทศของภาษาเป็นปัจจัยเวทนาพุทธองค์แสดงไว้6เท่านั้นนับเนื่องตามทวาร น, นะมีจักขู่สัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานาสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายาสัมผัสชาเวทนาและมะโนสัมผัสชาเวทนาพุทธเจ้าแสดงไว้6อย่างนับเนื่องตามทวารว่าน้น เมื่อว่าโดยประการประกอบกับจิตแล้วก็คือมี89เท่ากับจำนวนจิตทั้งหมด น, นองค์ปฏิจจสมุบาทนี้ท่านแสดงหมายเอาเวทนา32ที่ประกอบกับโลกียวิปากจิต32เท่านั้นถ้าดูลักษณะของเวทนาเวทนานี่นะเขาบอกเวทนาเนี่ยมีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะ มาจากคำว่าอนุภวนรัชนามีการสวยอารมณ์ใช่ไลักษณะของเขาก็คือมีการสวยอารมณ์เวทนาเนี่ยเป็นผลหรือเป็นเหตุอยู่ในธรรมะฝ่ายเหตุหรือฝ่ายผลเป็นผลเป็นปัจจุบันผลเนอะเจ้ามผัสสะเวทนาสัญญาเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยพวกอะไรนะพวกวิญญาณนามรูปสรายาตนาผัสสะเวทนาเป็นปัจจุบันผล อะไรคือปัจจุบันเหตุอะไรตัณหาอุปาทานกรรมวิชาและสังขารอะไรเป็นอดีตเหตุอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและกรรมใช่ไหมอันนั้นเป็นอดีตอติอดีตเหตุปัจจุบันผลวิญญาณ น, นามรูปสรายาตนาผัสสะเวทนาตอนนี้กําลังเรียนผลอยู่หรือเรียนเหตุเรียนผลอยู่เรียนปัจจุบันผลอยู่นะ เดืนปัจจุบันผลจะไปเป็นอนาคตผลได้ไหมเหนี่ยฉะนั้นอนุภาวานรักณะมีการสวยอารมณ์เป็นลักษณะนี้เป็นชื่อของเวทนาเวสยารส า, าสามโพคาลาสามีการสวยรสของอารมณ์นี่เป็นกิจหน้าที่ของเขาก็คือการสวยรสของอารมณ์เหมือนมีการสวยรสของอารมณ์เนีเป็นกิจเนี่ยไอตัวเวทนาวเวทนาวเวนาี่ยที่บอกว่าสวยรสของอารมณ์เนี่ยสวยรสของอารมณ์เนี่ย พจนลักษณะของเวทนาทําให้เราสัตว์ชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นต้นเนี่ย น, นี่ประการต่อมาก็คือว่าสุ ข, ขาทุกข์าปัจจุปฐานามีความสุขและความทุกข์เป็นผลตรงนั้นผัสสะปัฏ ฐ, ฐ, ฐานามีผัสสะเป็นเหตุใกล้มีผัสสะเป็นเหตุใกล้ผัสสะลายเป็นเหตุใกล้มีผัสสะมีผัสสะหนี่เป็นเหตุใกล้นะ เออถ้ามาก่าวในลักษณะว่าอาศัยตาและรูปอ่าอาศัยตาและรูปเกิดจากขวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสมประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอยู่ไหมตัวเวทนาเนี่ยตรงเนี้ยเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันนี้นะนี่เขาเรกจักขุสัมผัสชาเวทนาอาศัยหูอาศัยเสียง อาศัยหูและเสียงเกิดโสตวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเอวเวทนาตัวนี้คือโสตสัมผัสสชาเวทนาใช่ไหมอาศัยจมูกและกลิ่นเกิดคานวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิด เวทนาเวทนาตัวนี้เป็นคานะานสัมผัสชาเวทนาใช่ไหมอาศัยลิ้นและรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นจึงเกิดเวทนาเวทนาตัวนี้คือชิวหาสัมผัสชาเวทนาอาศัยใจ และธรรมารมหรืออาศัยกายและโพธพารมกายะสัมผัสชาเวทนาใช่ไหมแล้วก็อาศัยใจและธรรมารมจึงเกิดมโนวิญญาณใช่ไการประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัย เกิดเวทนาเวทนาตัวนี้คือมโนสัมผัสสชาเวทนาทีนี้ท่านมาแยกทีนี้ท่านมาแยกยังไงรู้ไหมท่านมาแยกในลักษณะบอกว่าแต่ยกตัวอย่างเช่นว่าแยกยังไงลักษณะว่าถ้าอาศัยตาอาศัยรูปอาศัยจักรคุญญาณ น, นะเกิดจักรคุญญาณ น, นะการประชุมของธรรมสามประการเป็น ภาษาภาษาตอนนี้คือจักขู่สัมปัสสะนะจักขู่สัมปัสสะนี่เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาใช่ไหมเวทนาตัวนี้เป็นจักขู่สัมผัสชาเวทนาเนี่ยนะไอ้จักขู่สัมผัสชาทุกขเวทนาก็มีจักขู่สัมผัสชาสุขเวทนาก็มีจักขู่สัมผัสชาอาทุกขามาสุขเวทนาก็มีไอ้แยกอะไรเนี่ย เห็นไหมว่าการแยกออกมานั้นมันเป็นปัจจัยที่ต่อเนื่องว่าไงเขาเรียกเป็นปัจจัยต่อเนื่องอาศัยหูและเสียงเกิดเกิดอะไรเกิดโสตวิญญาณใช่ไหมการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาภาษาตัวนี้เป็นโสตสัมพัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดโสตสัมพัสชาสุขเวทนาโสตสัมพัสชาทุกขเวทนา โสตสัมผัสชาอทาุกขมะสุขเวทนาเห็นออกได้ไหมแล้วก็ทางทาวารจมกูกเห็นไมบอกว่าอาศัยจมูกและกลิ่นเกิดคานวิญญาณการประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นภาษาภาษาตัวนี้คือคานะสัมผัสชาเป็นปัจจัยให้เกิดคานะสัมผัสชาเวทนาห ขานะสัมผัสสชาสุขเวทนาขานะสัมผัสสชาทุกขเวทนาขานะสัมผัสสชาอทุกขมสุขเวทนาแล้วก็ลิ้นทางทวารลิ้นก็คืออาศัยลิ้นและรสเกิดชิวหาวิญญาณการประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นภาษาภาษาตรวนี้เรียกว่าชิวหาสัมผัสสะเป็นปัจจัยเกิดชิวหาสัมผัสเวทนาใช่ไหม มีชีวหาสัมผัสสุขเวทนาเิียวหาสัมผัสสะทุกเวทนาเชียวหาสัมผัสสะอาทุกขมสุขเวทนาแล้วทางกายะบอกอาศัยกายโพธพารลมเกิดกายะวิญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นกายะกายอะไรกายสัมผัสสะ เป็นกายะสัมผัสกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดกายะสัมผัสใสชาเวทนาก็เป็นกายะสัมผัสสะสุขเวทนากายะสัมผัสสะทุกขเวทนากายะสัมผัสสะอาทุก ข, ขมสุขเวทนาแล้วก็อาศัยใจใจตัวนั้นคืออะไรนะพวังผวังใช่ไหมอาศัยพวังและธรรมารมใช่ไ เกิดมโนวิญญาณอยางั้นทำสามประการนี้ประชุมกันเป็นผัสสะเขาเรียกมโนสัมผัสสะใช่ไหมมโนสัมผัสสะนี่มันกลุ่มอะไรบ้างอะกลุ่มพวกผวังกลุ่มพวกธรรมารมกลุ่มพวกมโนวิญญาณเนี่ยนะประชุมกันจึงเรียกมโนสัมผัสสมโนสัมผัสสเป็นปัจจัยเกิดมโนสัมผัสสะชาเวทนาเป็นมโนสัมผัสสุขเวทนามโนสัมผัสทุกขเวทนามโนสัมผัสส อาทกขมมสุขเวทนาได้เวทนาเท่าไหร่สามหกเวทนาสิบแปดใช่ไหมโดยประการอย่างนี้ถ้าเรียนอย่างนี้ก็ในหลักสูตรท่านถึงบอกบอกว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขู่สัมผัสสะเป็นเหตุฉะนั้นจึงชื่อว่าจักขู่สัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสายโสตสัมผัสสะเป็นเหตุฉะนั้นจึงมีชื่อเรียกโสตสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมปัสส์ที่อาศัยคานาสัมผัสสะเขาก็เรียกคานะสัมผัสชาเวทนาอาศัยชิวหาสัมผัสส์เขาเรียกชิวหาสัมผัสชาเวทนาอาศัยกายะสัมปัสส์เขาเรียกมโนสัมผัสชาเวทนาอาศัยมโนสัมปัสส์เขาเรียกมโนสัมปัสส์อะไรกายะสัมผัสสะกายสัมผัสสาเวทนา ถ้าสายมโนสัมผัสสะก็เป็นมโนสัมผัสสชาเวทนาจะเวทนาหกเหล่านี้เมื่อจําแนกโดยสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็เป็นจักขู่สัมผัสสะเวทนาจนถึงชิวหาสัมผัสสชาเวทนาะทั้งสี่เป็นการสวยอารมณ์ชนิดอุเบกขาเวทนาทว่าในเป็นสัมพยุทธ์นะทว่าเป็นลักษณะที่เป็นสาชาติชาตินะเป็นอุเบกขาเวทนาอย่างเดียวมองเห็นใช่ไหม เช่นในจากคุญญาเนเวทนาอะไรเป็นเวทนาอะไ ร, เ, รเป็นอุเวขาเวทนาแต่ถ้าไปเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอันนั้นต้องเป็นปัจจัยอื่นไม่ใช่เป็นสาชาติชาติเป็นชาติอื่นไปะนะให้เข้าใจตรงนั้นทีนี้กายสัมผัสชาเนี่ยเป็นการเสวยอารมณ์ชนิดสุขหนึ่งทุกหนึ่ง มโนสัมผัสชาเป็นการเสวยลมสุขหนึ่งทุกหนึ่งแล้วก็เวขาหนึ่งนี้ว่าโดยธรรมชาติที่เป็นอยู่ในโลกนี้การเสวยรมอยู่สามอย่างนะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการการเป็นปัจจัยเฉพาะไม่ใช่เป็นปัจจัยสืบเนื่องแต่ที่ พ, พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นปัจจัยสืบเนื่องซึ่งถ้าใน หลักฐานโดยทั่วๆไปนั้นท่านจะกล่าวในแง่มุมของปัจจัยสืบเนื่องด้วยไม่ใช่ปัจจัยเฉพาะอย่างเดียวแต่ในที่นี้เน้นปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะนี่นะใ ห, ให้เข้าใจตรงนี้ให้ดีที่นี้บอกว่าความรู้สึกเมื่อว่าโดยธรรมชาติที่เป็นอยู่ในโลกนี้มีสามอย่างความรู้สึกสบายกายสบายใจในเมื่อประสบอารมณ์ที่ถูกใจเรียกว่าสุขเวทนา ไม่สบายกายไม่สบายใจประสบการณ์ที่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์รู้สึกเฉยเฉยก็เรียกว่าอุเบกขาว่า้นปาฏิการต่อมาที่ที่น่าพิจารณาอีกอย่างก็คือบอกว่ า, วาลักษณะของลักษณะของตัวเวทนาเนี่ยนะเวลาปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วนะไอลักษณะของเวทนาเนี่อย่าลืมนะว่าอริยสัตว์ปรากฏเกิดขึ้นเนะีย เออเราเรียนปฏิจจานิยังลงอริยสัจกันได้ได้ยังเนี่ยอย่างลงอริยสัจได้ไดยัง อ, ย ง, งอด อ, งอเดี๋ยวอย่างลงดูสักนิดก่อนเนีเออเขาอย่างลงยังไงอา้าววิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอาญาตนะอาญาตนาเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาว ง, งกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มผลปรากฏเกิดขึ้นใช่ไหม ถ้ากลุ่มผลปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มทุกข์ขั์ปรากฏเกิดขึ้นแล้วถ้าทุกข์ขั์ปรากฏเกิดขึ้นนี่ท่านอุปมาเหมือนโรคอุปมาเหมือนโรคร้ายเกิดขึ้นแล้วว่าไงเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นหลุมฐานเพลิงเนี่ย น, นะโดยมากมันไม่เคยมองกันอย่างนี้นะพอเวทนาเกิดขึ้นแล้วบอกให้โรคเกิดขึ้นแล้วหัวฝีเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณเกิดนามรูปเกิดผัสสะเกิดอายตนะเกิดเวทนาเกิดเนี่ยนะการปรากฏเกิดขึ้นการประชุมเกิดขึ้นของขันห้าอย่างเงี้ยใครเคยคิดว่านี่เป็นโรคเกิดขึ้นมาแล้วนะถ้าโรคเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องรักษาไหมมันจะต้องหายยาใช่ไหมไอ้โรคเหล่านี้ฝีเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไร เพราะอะไรทําให้เกิดขึ้นมาเพราะอาวิชชาเพราะตัณหาเพราะกรรมใช่ไหมเพราะวิชาตัณหากรรมนี่แหละวพราะงั้นเนี่างั้นน่ยที่สร้างทําให้ใช่ไหมเพราะว่าตัวสมุ ท, ทยัยคืออวิชชาสังขารเนี่ยนะตัณหาพวกเนี้ยพวกบาทานพวกเนี้ยนะสร้างพวกนี้เกิดมาเนี่ยสร้างพวาวิญญาณนามรูปสรารยตนาภาษ า, า, าเวทนาปรากฏเกิดขึ้นมาอย่มั้ย ลักษณะอย่างนี้เขาถึงบอกว่าเขาเรียกว่าโรคมันเกิดเพราะมันมีเหตุของโรคว่า ง, งั้นไอตัววิชาสังขาร